รวมเสียงธรรมชุดที่1ซีดีเสียงอ่านหนังสือและบทความเชิญคุณธรรมอ่านโดยโจโฉแจกฟรีเป็นธรรมทานโดยผู้ร่วมสมทบทุนหลายท่านผ่านทางเว็บไซต์ Jocho.net สามารถนำไปออกอากาศเผยแพร่และสำเนาบันทึกแจกจ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตนะครับสงหวนสิทธิ์ห้ามนำไปจำหน่ายเป็นการค้าเท่านั้นสามารถลงชื่อที่อยู่ขอรับซีดีชุดนี้ได้ฟรีที่ทโจโ h o อทเ j o Z H o N e T. สำหรับซีดีชุดนี้จะเป็นเนื้อหาจากหนังสือและบทความต่างๆจากหลากหลายนักเขียนนะครับอ่านและบันทึกเสียงโดยโจโฉซึ่งจะมีเนื้อหาคร่าวๆดังนี้ 1. ่แววเสียงสวรรค์ โดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นเรื่องโลกหลังความตายนรกสวรรค์เทวดาวิญญาณหรือโลกของโอปปปาติกะนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจแบบถูกทางไม่งมง่ายและพัฒนาต่อจนเข้าใจในบาปบุญว่าทำดีได้ดีอย่างไรทำชั่วได้ผลน่ากลัวอย่างไรสนุกเข้าใจง่ายและได้รับความนิยมจากผู้ฟังเป็นอันดับต้นๆนะครับ 2. เอาของเขามาเล่าใหม่รวมเรื่องสั้นและนิทานสาหรับผู้ใหญ่ ที่ให้แง่คิดกินใจบางเรื่องมีเนื้อหาทาให้รักพ่อรักแม่มากขึ้นบางเรื่องก็ให้กำลังใจสำหรับคนกำลังท้อแท้ได้เป็นอย่างดีนะครับได้รับความนิยมค่อนข้างมากและนำไปใช้อบรมเยาวชนในค่ายคุณธรรมต่างๆคุณภาพเสียงเรื่องนี้อ่านไม่ค่อยดีนะเพราะอัดไว้นานมากแล้วแต่ด้วยเนื้อเรื่องที่กินใจจึงทาให้ได้รับความนิยมสูงมากจากผู้ฟังทุกวัย 3. ไดอารี่หมอดู บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวกับหมอพีหมอดูที่มีสัมผัสพิเศษดูอดีตกรรมได้และบอกทางแก้ไขแบบถูกทางบอกทางแก้กรรมจากการปฏิบัติตนเองแบบง่ายๆแบบถูกทรมีประโยชน์ได้สาระเหมือนได้แผนที่ชีวิตเพื่อบรรเทาความผิดที่เคยทําในอดีตและกําลังทําในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับและที่เหลือก็จะเป็นบทความที่ให้ง่ายคิดสําหรับการใช้ชีวิตต่างๆในหัวข้อสัพเพเหระธรรม จากนิตยาสารธรรมะใกล้ตัวที่ผมเคยอ่านเสียงให้นะครับแล้วก็แถมเพลงธรรมะที่ผมแต่งแล้วร้องไว้ซึ่งทําดนตรีเองแบบง่ายๆแล้วก็อ่านเสียงร้องเล่นๆในห้องนอนดังนั้นคุณภาพเสียงอ่านแค่พอฟังได้เท่านั้นนะครับก็ลองฟังดูละกันสําหรับท่านที่สนใจเสียงอา่านหนังสือในรูปแบบนี้รวมถึงธรรมะอื่นๆ อ, อีกมากมายสามารถติดตามดาวน์โหลดได้ฟรีและลงชื่อขอซีดีได้ฟรีที่เว็บไซต์ j o จโจ .net สามารถนําไปเผยพแพร่สําเนาลงซีดีแจกจ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจกฟรีเท่านั้นขออนุมโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมและร่วมกันจะลงพระศาสนาด้วยการขัดเกลาตนเองไปพร้อมๆกันนะครับสภท า, านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเจริญในธรรมครับ